เมื่อตอนนมวันเช้านะก็ได้พูดว่าพรที่มันประเสริฐกว่าพรที่ประเสริฐกว่า Happy Birthday ก็คือ Happy Death Day นะอะหลายคนก็สงสัยว่ามันจะเป็นไปได้หรือ Happy Death Day คือตายอย่างมีความสุขนะ ข่าวดีก็คือว่าเดือนหน้าเนี่ยนะ 10, แล้วก็11วิถุนาก็จะมีการจัดอีเวนต์ใหญ่นะชื่อว่าชื่องานว่า Happy d a y ทเดจัดที่ศูนย์ซิริกิตนะสองวันเลยน ะ, ะเครือข่ายพฤติกากับองค์กรนะ ที่เป็นภาคีหลายองค์กรนะเขาจะจัดงานนี้นะเพื่อให้คนได้ตระหนักนะถึงการใช้ชีวิตยอย่างไม่ประมาทนะรวมถึงการรู้จักเตรียมตัวตายด้วยแล้วก็บอกแนวทางนะว่ า, าคนเรานี่จะ ตายดีตายสงบได้อย่างไรนะจะเป็นงานที่เปิดตัวใหญ่ครั้งแรกนะที่พูดถึงเรื่องอความตายแบบตรงๆเลยนะแต่ก็ไม่ใช่พูดแบบธรรมะธรรมโมหรือว่าธรรมะจาจานะแต่ว่าจะเป็นการ เช่เห็นหรือเปิดประเด็นนะเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆของความตายการช่วยเหลือผู้ใกล้ตายรวมทั้งการเตรียมตัวนะทั้งเตรียมตัวเองแล้วก็เตรียมตัวผู้อื่น Even, อีเวนต์นี่ก็มีหลายอย่างนะมีทั้งห้องสัมมนา มีทั้งการบรรยายมีทั้งกิจกรรมที่จะค่อยๆชวนให้เราใครค่ควรเกี่ยวกับเรื่องชีวิตก็ประกาศเอาไว้นะเพรา ะ, ะคิดว่างานนี้เนี่ยคนคงจะสนใจมากนะปกติเ่คือกายพฤติกาแล้วก็องค์กรใกล้ชิดเนี่ยก็ทำกิจกรรมทำนองนี้มานานลว แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ทำในวงเล็กๆแคบๆเช่นอบรมรเผชิญความตายสงบก็ทำมาสิบสามสิบสี่ปีละ <c oughs> แต่ว่าอบรมแต่ละทีก็มีคนมาเข้าร่วมแค่สามสิบสี่สิบคนไม่ใช่ว่าคนสนใจน้อยนะแต่เพราะว่าการอบรมเนี่ยไม่สามารถจะเปิดรับคนเยอะได้ตอนหลังเนี่ย คนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเรื่องอจะเรียกว่าหน่าแปลกก็คงไม่ใชนะ่แต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมีคนขอให้อบรมนะที่นั่นที่นีนะ่เพื่อเตรียมตัวตายนี่บ่อยล่าสุดเนี่ยนะาทางเพื่อนที่ยุบพุทธนะ เขาก็มามารายงานว่าที่อาตมาจะไปจัดอบรมเผชิญความตายสงบที่ยุวพุทธกรุงเทพเนี่ยเดือนกรกฎา4วันตั้งใจจะจะรับสักร้อย0 0คนนะบอกว่าคนสมัครต้อง500คนและ500คนเนี่ยภายในเวลา5นาทีนะที่เปิดรับสมัครทางออนไลน์ แล้วเขาก็รีบปิดเลยนะเพราะว่ามันแค่ห้านาทีนี่นะก็ห้าร้อยคนเข้าไปแล้วนะเขาก็กำลังคิดว่าจะทำยังไงเนะี่ยเพราะว่าห้าร้อยคนนี้เขารับไม่ไหวนะ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าคนที่ไม่มีโอกาสนะเพราะว่าสมัครทีไรมันเต็มก่อนทุกทีเนะี่ย อันนี้ก็มีคนบ่นมามากนะก็คิดว่าช่องทางหนึ่งแล้วก็คืองานนี้แหละแฮปปี้เ <Happy Day S 1> ดทเดย์นะเพราะวัิจักที่ศูนย์เซริกินนี่รับรับได้จะว่าไม่อันก็คงไม่เชิงแต่ว่ารับได้เป็นพันนะนะแล้วก็สองวันก็คงจะเวียนเข้าเวียนออกกันรวมแล้วก็อาจจะเหยียบหมื่นนะก็ประกาศเอาไว้นะเพราะว่าหลายคนอย่างที่บอกอยากจะ ร่วมกิจกรรมการอบรมนะทำนองนี้นะแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสที่จริงเดี๋ยวนี้นี่มีการจัดอบรมแบบนี้เยอะมากเลยนะอาจารย์คันชิตนะที่วัดวีรวงศารามนะกับคณะที่ชื่อว่า icu นะ icu ไม่ใช่หน่วยอพิบาลวิกฤตนะแต่ว่า icu มันือว่าฉันไปเยี่ยมเธอ iswe แล้วก็อยู่นะแล้วก็จัดอบรมนะกลุ่มชีวิตศิษยาครือขายชีวิตศิษยานี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จัดอบรมอ่จัดบรรยายเปิดกว้างนะเขาสามารถที่แล้วเขจัดเนี่ยจัดที่สวนโมกรับได้สองร้อยคนสามร้อยคนปรากฏว่าที่มันทับแคบ คนมาเยอะมากแล้วก็ไปเปิดไปจัดที่ปัญญาพิวัตรนะสถาบันปัญญาพิวัตรของซีพีนะ้องประชุมใหญ่รับคนได้สองพันคนเนี่ยก็เต็มนะแล้วก็จัดปีนึงก็หลายครั้งแต่ว่าคนที่อยากจะมาเข้ารับการอบรมก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะโดยเฉพาะคนป่วย คนป่วยมะเร็งนะคนป่วยโรคร ล, ลายนี่พุ่มพวงก็ใช่โรคพุ่มพวงกันนะแล้วก็ญาติที่ดูแลก็อยากจะมีความรู้เรื่องนี้นะเมื่อกี้ที่บอกว่าไอ้ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราเนี่ยพบว่าการตายเนี่ยนะ มันเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากขึ้นอันนี้ก็ได้พูดไปหน่อยแล้วนะเมื่อตอนเช้าว่าตัวนี้คนเราอยู่สบายก็จริงแต่ตายลําบากมากขึ้นคนสมัยก่อนเนี่ยหรือแม้แต่นคนชนบททุกวันนี้เนี่ยแม้จะอยู่ลําบากกว่าคนเมืองแต่ว่าตายสบายกว่าหรือว่าตายลําบากน้อยกว่านะก็พราะหนึ่งเนี่ยนะมันไม่มีการยื้อนะเวลาป่วยนะคนสมัยก่อนป่วยนี่ก็ โรคที่ทำให้ป่วยก็มักจะเป็นโรคติดเชื้อซึ่งมันมักจะทำให้ป่วยได้ไม่นานไม่นานก็ตายเพราะนั่ช่วงเวลาที่ทรมานถ้าจะทรมานนะัก็ไม่กี่วันหรือว่าอาจจะไม่กี่อาทิตย์แต่สมัยนี้เนี่ยจะตายนี่นะผกเขารากยา ก, กันเป็นปีๆเลยนะอันนี้ไม่ได้หมายถึงคนที่เป็นผักนะแต่หมายถึงการยื้อนะยื้ในโรงพยาบาล น, นะเจาะค อ, อใส่ท่อแล้วก็ยื้ บางทีคนไข้ก็ไม่รู้ไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวแล้วบางทีเป็นโคม่า ก, ก็มีนะแล้วก็ยื้อกันไปนะเพราะว่าเออ่จะตายก็ไม่อยากให้ตายแต่ว่าอาการคนไข้ก็ไม่ดีพอที่จะฟื้นคืนมาได้นะเรียกว่าอาการแบบนี้เรียกว่าจะหายก็ไม่หายนะ แต่ก็ไม่ยอมตายสักทีบางครอบครัวนี่หมดเงินไปเป็นยี่สิบสาสิบล้านขายที่ก็มีเป็นหนี้ธนาคารก็กมากนะแล้วเขาก็นานุ่มโธนานะเาก็บอกว่ายอมนะยอมยอมเป็นหนี้นะเพื่อคนที่ตัวเองรักแต่ก็ไม่รู้ว่าแต่ก็หารู้ไมว่าคนที่ตัวเองรักเนี่ยที่ยื้อไปนี่เขาก็ทรมานเหลือเกิน ยายกกว่ทรมานเนี่ยอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะนิตยาสารอิคอนมิสเนี่ยซึ่งเป็นนิยสารที่เกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจการเมืองคนอ่านทั่วโลกสองฉบับที่แล้วนี่ขึ้นปกในะเรื่องการตายที่เร็ว b a ดเดทนะอันนี้เพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับค น, น, นทั้งโลกนะโดยภาพคนที่มีเงินหรือประเทศร่ำรวย คือยิ่งตายยากแล้วก็ตายทรมานมากขึ้นนะทั้งเจ็บปวดทั้งเครียดทั้งเป็นโรคซึมเศร้านะและญาติก็เหมือนกันอ่าเพราะนั้นเนี่ยนะสมัยนี้เนี่ยการคิดเรื่องการตายดีเนี่ยนะมันต้องคิดเอาไว้นะคิดเอาไว้เตรียมตัวลุกหน้าและเตรียมตัวเดียวนะก็ต้องเตรียมตัวให้ถูกนะไม่ใช่ว่าซื้อประกันอย่างเดียวมันต้องเตรียมใจด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนเนื่องจากเห็นใครต่อใครก็ทุกข์เพราะความตายทรมานยืดเยื้อยาวนานเป็นปีๆก็ประมาณว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้คนสองในสามเนี่ยในประเทศที่ร่ำรวยตายที่โรงพยาบาลแล้วก็ตายที่บาา้านพักคนชราแล้วก่อนจะตายก็จะเจ็บป่วยเรื้อรังประมาณแปดถึงสิปีโ ด, โดยเฉลี่ยนะก่อนตายนะ เจ็บปวดเรื้อรังแปดถึง10ปียังไม่นัาถึงระยะสุดท้ายที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ส่วนใหญ่ประมาณหนึ่งในสของคนที่อายุ65ที่ตายหลังอายุ1 5เนี่ยก็จะอยู่ในห้อง ICU เนี่ยสมเดือนสุดท้าย3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยู่ใน ICU คือไม่รู้เนะื้อรู้ตัวก็เยอะนะทรมานมากนะซึ่งแบบนี้มันไม่มีในสมัยก่อน อันนี้เรียกว่าเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ทำให้พูดได้ว่าคน่นี้อยู่สบายแต่ตายลำบากเพราะในการคิดถึงเรื่องแฮปปี้เด e เนี่ยหรือว่าแฮปปี้เด y เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่พูดเล่นๆนะแต่เป็นเรื่องจริงจังที่จะต้องคิดกันวนะัะนั้นเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ไว้นะใครสนใจก็เตรียมตัวแต่เนิ่นๆเลยนะเขาคงจ ะ, ะแจ้งรายละเอียดกันเร็วๆนี้แหละน ะ, ะแล้วก็เตรียมรับพร อิชิตังปฏิตังตุมหังข อ, อีกัทนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปาเมวัสมิชตัตโตจงสำเร็จโดยฉาพรสาเภพปพูเรนตุสังกปาขอความดำรีทั้งผวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทธาเหมือนพระจัน์ในวันเพนมณีโชติรโสยทธาเหมือนแกวมณีอันสว่างสวัยควรยินดี สาพิีิโอวิวาชนตุววานจานายทางพวงจงบำราดไปสาฟโรโควินาสาตุโรคทางพวงของท่านจงหายมาเตภวตวันตารายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขิทิคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาทานาสิลิสเิจางุธาพัจจายิโนจัตตารรมาวัฏันติอายุวันโน ส, สุขังภาลังท่างสี่ภากานคืออายุวันนาสุขาพภาลัย่อนจะเริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาวตุสาพมังคารัง พอสาภาโมงคอจงมีแก่ท่านราคันตุสาพาเทวตาพาราเทวดาทั้งหวงจงรักษาท่านสาภาภุทานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังขานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระโส ตาตาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านดูมื่อเธิด